เอาต่อไปตรวจกันบ้านครังแรกๆมันจะไปให้ค่าทีละตัวค่ะหลวงพ่อต่อก็รู้ว่ามันหลงไปก็เลยดูเป็นกลมๆไปแล้วก็เพิ่นจะเห็นว่ามันจะมีความเข้าไปเซิร์ฟมานาอัตตาแท้เป็นยาดําอยู่แก๊กแๆ๊ก๊กแก๊ดีๆที่เห็นน ะ, ะนั่นแหละคอยรู้ไปถ้าเป็นโซดาแล้วตัวนี้จะหายไปแล้วก็ที่เห็นในรอบปีนี่ก็คือเห็นว่าเมนาตตาเปิ่นลดลงแล้วก็ มันจะมีจิตเมตตากับคนอื่นแบบจริงๆขึ้นมาได้ค่ะก่ะ<ด>ต้องขอคุณครูบาอาจารย์ค่ะแล้วก็ค่ะก็จะมีสองข้ออยากกลับเรียนถามหลวงพ่อคือข้อแรกว่าสถานที่ไหนที่มันเหมาะกับการเจริญภาวนาของเปิ่นนะคะต้องดูเอานะอย่างสถานที่บางคราวไปอยู่ช่วครั้งช่วคราวภาวนาดีพออยู่ประจําก็ไม่ดีอยู่ที่ใจเราเป็นขณะขณะเป็นช่วงๆไป ช่วงนี้ควรอยู่วัดก็อยู่วัดช่วงนี้อยู่บ้านก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะช่วงนี้ควรจะไปเดินศูนย์การค้าบ้างก็ไปต้องดูนะบางทีไปเดินศูนย์การค้าก็ภาวนานี่ยเต้องลดออหมายถึงว่าเพิ่มนอกจากเพิ่มทํารูปแบบแล้วมันต้องมีอะไรเพิ่มไหมไม่ต้อง<ๆ>ถ้าทําได้ก็สมถะบ้างนะแรงมันเริ่มตกไปนิดนึงแล้วก็ใจไม่ค่อยตั้งมั่นโมหะแทรกง่ายนะ ถ้าทำสมถะเพิ่มก็ดีแต่ถ้าทำแล้ว เ, เพ่งก็ไม่เอาทนทนดูไปในชีวิตประจำวันแต่ถ้าทำสมถะได้ก็ทำนะสุกว่าข่าวนี้มาอยู่วัดเนี่ยค่ะช่วงวั น, นวันที่ผ่านมามันภาวนาเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะหลวงพ่อถูกต้องจิตมันเป็นกลางมากขึ้นตอนตอนนี้คือมันมีกิเลสตัวไหนที่ควรจะต้องใส่ใจดูเป็นพิเศษไหมไม่มีน ะ, ะตัวไหนโผล่ขึ้นมาก็ดูตัวนั้นแหลนะตัวไหนเกิดก่อนก็ดูตัวนั้นแหละ กำลังปรากฏอยูอ่ต่อไปครับคือเมื่อวานที่หลวงพ่อบอกว่าจิตส่งออกนอกครับก็เลยพยายามดึงมาเข้ามาข้างใน ม, มันก็เลยอึดอัดนะครับเออถ้าดึงแล้วอึดอัดนะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้ส่งเข้าข้างในหลวงพ่อบอกให้รู้ทันว่าจิตส่งออกไปข้างนอกครับนะถ้ารู้ทันเราไม่ดึงหรอกไม่ดึงก็ไม่อึอดอัดให้ดูไปนะครับแล้วที่ภาวนาลมหายใจเนี่ยก็คือก็คงให้ทําอย่างนั้นอยู่ต่อไปทําได้นะแต่อย่าให้ขาดสติ อย่าน้อมใจให้ซึมให้เคลิมนะพอนานแล้วก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆครับคือวันนี้ก็รู้สึกโล่งโล่งสบายกว่าวันนี้ดีกว่าใช่เป็นเฉลิมพงศ์ละครับวันนี้ก็ดูดีขึ้นมีอะไรที่หลวงพ่อฝากให้ไปทําเป็นกันบ้างไปทําอีกไหไปดูเรื่อยๆนะรู้หลักแล้วก็ต้องทําบ่อยๆสังเกตไหมใจมันชอบถล่มไปดู ถลำไปข้างนอกครับเออถลําไปนะัให้คอยรู้รใจมันถลําถลําไปข้างนอกก็ได้นะถลํำเข้าข้างในก็ได้ครับกล <นะ S 1> ั บ, บขอบพระคุณคุณเฉลําพงศ์ก็เมื่อาวานที่ท่านอาจารย์ซักว่าคเครียดวันนี้ดูจะเครียดน้อยลงครับใช่เครียวันนี้ดีขึ้นนะครเมื่อาวานคงเป็นเพราะว่าด้วยความอยากมาอยู่บัสแล้วก็อยากปฏิบัติมันก็เลยทําเยอะไปหน่อยก็เลยเครียดครับ คุณเฉลิมพงศ์รู้หลักแม่นอยู่แล้วนะอยู่ที่ว่าจะดูได้บ่อยแค่ไหนดูเล่นๆนนะ่ะไม่ใช่ดูจริงจังดูไปสบายๆถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาถึงเวลาก็ทําในรูปแบบไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเคลื่อนไหวแล้วก็คอยรู้สึกนะของคุณเฉลิมพงศ์รู้กายด้วยนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกด้วยอ่ะหมอ เสกใจมันกระวนกระวายครับหลวงพ่อแล้วก็มีโมหะทำไมล่ะทำไมไปกระวนกระวายมันลุกลี้ลุกลนนะครับเม่อไหรให้ดูเป็นไปนะครับ <c oughs> อย่างตอนนี้หลายคนสงสัยอยู่เฉยๆทาไมโทสะมันผุดขึ้นมาไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครอยู่ๆมันก็โมโหขึ้นมานะ <c oughs> จริงไปรับความรู้สึกของคนอื่นมาตอนนี้กระแสที่ครอบคลุมบ้านเมืองอยู่เป็นกระแสของโทสะครับ <c oughs> มีแต่โทสะทั้งนั้นเลยไปที่ไหนก็โทสะฝ่ายหนึ่งกลัวเขาแย่งอํานาจก็มีโทสะฝ่ายหนึ่งอยากแย่งกับเขาก็มีโทสะฝ่ายกองเชียร์ก็มีโทสะเคยมีกันหมดเลยนะเศรษฐกิจไม่ดีไหมไม่สบายใจก็โทสะอยากโทสะทั้งนั้นเลยมีนําซ้ํายุคนี้ควเป็นมะเร็งเยอะๆนะหมอเต็มไปหมดเลยเยอะมากเลยไม่รู้เมื่อก่อนมันเป็นแต่เราไม่รู้หรือว่า ไม่ค่อยเป็นสถิติว่าไงน่าจะเป็นเยอะขึ้นนะครับช่วงหลังจะเป็นในคนอายุน้อยลงครับเด็กนี้เด็กเล็กก็เป็นครับแปลกจริงยังรีภาวนานะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้เด็กๆก็ตายนะเด็กเด็กกว่าหลวงพ่อตายไปเยอะแล้วส่วนที่แก่กว่าหลวงพ่อเหลือไม่มากและเอาเชิญยกมือเบอร์แปดเบอร์แปดสิบเบอร์อะไรเบอร์อะไรนะ เราปิดป้หันหลังไว้อ่ะห้าห้เบอร์แปดก่อนแล้วแปดิบเดี๋ยวนะาทางนี้เอาลงกันเยอะไปหลวงพ่อจับไม่ได้หลวงพ่อคะช่วงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูแบบร อ, อดบางไม่รอดบางอ่ะมันไม่ <laughs> ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่มันแบบไม่ดีบ้างไม่ดีบ้างมันถึงบางมันเอาตัวไปค่อยรอดอะคะ่ะ บ, บางบางวันนี้มันจมในความคิดเยอะมากแล้วมันก็เป็นความคิดที่ทําให้เรามีความทุกข์เยอะอหนูก็เลย ทำพุทโธถุกแบบที่ีไม่ให้มันมีช่องอะค่ะอย่างนั้นได้เราสมถะมาช่วยแล้วว่าบางครั้งมันแบบมันเหมือนมันดูไม่มันดูอะไรไม่ได้อ่ะที่หนูก็เลยดูทีวีเฮ้ยดูไม่ได้ก็พุทโธสิมาถึงหนูอยากจะเปลี่ยนให้มันแต่มันรู้สึกมันดีขึ้นนะะดูทีวียุคนี้นะมันน่ากลัวแต่หนูไม่ได้ดูมาตั้งหกเดือนแล้วเอหลวงพ่อไม่ได้ดูตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลย <c oughs> หนูรู้สึกว่ามันบางทีมันดูอะไรไม่ได้เลยอะอค่ะก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนไม่รู้ว่าช่วยมันเยอะไปหรือเปล่าอย่าดูบ่อยก็แล้วกันดูบ่อยเดี๋ยวติดะอะไรที่ไม่ดีติดง่ายนะแล้วอาทิตย์ทอาทิตย์ก่อนหนูส่งกันบ้าว่ามันมันเฉยอะค่ะมันยกไหมฟังไม่ค่อยได้ยินแก่แล้วหูตึงอาทิตย์ก่อนหนูส่งกันบ้าว่ามันเฉยอคะค่ะไม่ทราบมันมีดีขึ้นมั้งไหมคะดีขึ้นสิแล้วมีอะไรต้อง<ม>ต้องซ่อมแซมเป็นทอีก หมายถึงความให้ตื่นตัวเหรอคะอะไรนะหมายถึงให้ตื่นตัวมากขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นตัวแล้วแต่ใจยังไม่ตั้งมั่นค่ตัวออกไหมใจไม่ตั้งมั่นอ๋อค่ะนั่นแหละไปดูให้รู้ทันอย่าดึงนะมันไม่ชอบมันก็ไปกดไปนั่นแหละให้รู้ทันที่ไม่ชอบนะไปกดลุงดูต้องทํารูปแบบเหมือนเดิมรูปแบบต้องไปเดินเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมเบอร์แปดสิการนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตามรู้ไปเรื่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เห็นกิเลสเยอะขึ้นนะคะ แล้วก็อยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากหลวงพ่อค่ะดูได้ดีแล้วนะมีแต่หน้าที่ต้นดูบ่อยๆใครสังเกตเรื่อยๆไปเห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงตัวเอยงเนี้ยูไปอีกดูอีกใช่ไห ม, มรู้ไปเรื่อยๆนะทำได้ดีอยู่อ <c oughs> ันดับเบอร์ห้าห้าครับนรัศ ก, การหลวงพ่อครับก็คราที่เราที่ส่งกันบ้านเนี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าให้ขยันดูในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้นอีกนิดนะครับ <c oughs> ก็เลย พอกลับไปเนวันแรกก็พยายามจะดูให้ได้เยอะก็รู้สึกเครียดก็รู้เลยว่าผิดนะก็เลยเออบมันต้องสติมันต้องเกิดขึ้นมาเองใช่ไหมครับผมก็เลยใช้วิธีว่าก็ดูไปสบายๆแล้วก็คือพยายามขยับร่างกายช่วยกระตุ้นอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเลือกได้ก็จะพยายามไปอยู่ในสถานที่ไหนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรหรืออยู่กับใครที่ทําให้สติเกิดบ่อยครับแต่ให้มันเกิดขึ้นมาเองนะครับก็อยากให้หลวงพ่อแนะนํานะครับฉีดก็ดีกว่าแต่ก่อน เดี๋ยวตนนี้จิตมันเจ้าออกข้างนอกไปนิดหนึ่งดูออกไหมไปดูเอาอืครับอย่าดึงนะให้รู้เฉยเฉยจิตมันเจ้าออกข้างนอกนิดหน่อยให้รู้ทันอืมครับผมแล้วขอกันบ้านนั่นแหละไปดูนะอใช้แล้วนะกันบ้านไปดูเอาจิตมันเจ้าออกไปอ๋อครับก็แต่มันไม่มากนะอออกไปนิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่เข้าฐานมันทีเดียวเป็เฉียดเฉียดอืมครับผมอ้าวยกมือครับ น, นี้เบอร์อะไรล่ะชูเบอร์ดีกว่าอย่าชูมือไม่รู้เบอร์เลยเอาเจ็ดสิบห้าบสบห้าของไฟฟ้าร้อยสามหเอาแค่สี่คนนะมากกว่านี้จําไม่ได้ท <c oughs> มสัสการค่ะหลวงพ่อคะ่ะวันนี้มาส่งกันบ้านที่แส น, น, นชาค่ะนักเรียนเก่าหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วตัวจริงหรือตัวปลอมตัวปลอมเออตกใจอย่างเงี้ยเอาว่าไปก็สองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคือฟุ้งซ่านมาก พราอย่าไปเกลียดมันสิฟุ้งซ่านก็อย่าไปเกลียดมันนะรู้ว่ามันฟุ้งรู้ไปสบายๆแลังเกิไม่ใจไม่ชอบมันใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ว่าฟุ้งซ่านด้วยจิตที่เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันจิตมีเหตุจิตก็ฟุ้งซ่านจิตไม่มีเหตุก็ไม่ฟุ้งซ่านเขาเป็นไปตามเหตุไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากไปค่อยๆดูเอานะดูสบายๆ ของคุณภาวนามาได้ดีมากเลยนะใจมันรู้มันตื่นมันเบิกบานขึ้นมาเยอะแล้วไปดูอีกค่ะหลวงพ่อแต่ว่าบางทีมันมันกระทบแรงมากค่ะหลวงพ่อห้ามไม่ได้สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยนะมันเป็นวิบากเป็นวิบากอย่างอากุศลให้ผลเนี่ยเราก็ทบสิ่งที่ไม่น่าชอบใจอย่างรุนแรงนะกุศลให้ผลอย่างขนาะเนี้ยกุศลให้ผลมากระทบกับวัดหลวงพ่อ <c oughs> มันก็ผลัดกันให้ผลแหละอยู่ที่เราเป็นกลางไหมสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเลือกไม่ได้เมื่อเราเลือกไม่ได้เราก็อย่าไปปฏิเสธเขาเขามีเหตุเขาก็เกิดแล้วเหตุนั้นสมควรแล้วด้วยนะการที่เราได้เจอสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นผลของอกุศลสมควรละถ้าเรายอมรับอย่างน่าชื่นตาบานนะยอมรับด้วยความเข้มแข็ง วันหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายต้องผ่านไปอย่างแน่นอนสังเกตไหมกระทั่งสิ่งที่ไม่ดีที่กำลังจรมาขณะนี้ใจเรายังดีกว่าก่อนเลยใมใจเราไม่จมไม่จมลงไปในความทุกข์นันเพราะเราฝึกฝนตัวของเราเองแหะเราฝึกมากๆนะอกุศลเก่าให้ผลมาเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่เราหัดเจริญสติในปัจจุบันเนี่ยเราทาได้เพราะสติเราดีขึ้นใช่ไม อะไรมากระทบเราก็กระเทือนน้อยลงน้อยลงนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วหัวปักหัวปั๊มไปแล้วนึกออกไหม<ช>ดีขึ้นตั้งเยอะแล้ววันนี้มาก็คือจะมาขอบคุณหลวงพ่อด้วยค่ะบาไมถ้าไม่เคยได้ฝึกมาเตรียมตัวมานี่คงจะแย่มากดีแล้วนะเราลูกสิธิ์พระพุทธเจ้านะโลกเป็นอย่างนี้แหละโลกไม่แน่นอนนะเมื่อปีกลายนะมีพวกหมอดูใช่ไหมเ้าชอบทำนายปี น่าจะเป็นไงหลวงพ่อก็เลยถายบ้างหลวงพ่อถ่ายถูกนะมันถายผิดหมดเลยมันถายว่าน้ำจะท่วมเดือนตุลาท่วมกรุงเทพให้ย้ายบ้านหนีบ้าที่สุดเลยเป็นป่า น, นม้นยังไม่ท่วมเลยไต่หลวงพ่อถายไว้แม่นกว่าเพื่อนเลยหลวงพ่อบอกว่ามันไม่แน่เราชนะเลยปีหน้าก็ถายอีกมันไม่แน่อีกปีหนึ่งนะปีต่อไปก็ไม่แน่อีกอ ถ้าเรารู้ว่าจริงๆเราทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยไม่แน่นอนนะเราก็ฝึกใจของเราจนเรามีที่พึ่งรู้สึกไหมเราเป็นคนมีที่พึ่งเหมือนลูกมีพ่อมีแม่นะไม่ใช่ตัวคนเดียวหรอกแล้วก็อดทนไปของคุณเนี่ยไม่รุนแรงเท่าไหร่นะมีลูกศิษย์หลวงพ่ออีกคนหนึ่งแรงกว่านี้ทําธุรกิจร้อยล้านนะมันลุมขึ้นล้มละลายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแบงค์งดปล่อยเงินกู้ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรล้มไปเลย รลยนั้นบอกว่าอยากฆ่าตัวตายที่สุดเลยแต่กลัวเสียชื่อหลวงพ่อ <c oughs> กลัวหลวงพ่ออับอายไข่หน้าหลวงพ่อเกือบจะบอกหลวงพ่อไม่อายหรอก <c oughs> แต่ว่าไม่กล้าบอกนะเดี๋ยวมันไปฆ่าตัวตาย <c oughs> ความทุกข์ในชีวิตเป็นของชั่วคราวนะความสุขก็ของชั่วคราวไม่ใช่ของที่มีสาระเต็มที่หรอกของที่มีสาระเราก็มีอยู่แล้วนะเรามีธรรมะเรามีศีลมีธรรม เราฝึกของเราชีวิตเราจะมีความมั่นคงมีความอบอุ่นมากขึ้นท่ามกลางความแปรปรวนอย่ายไปกลางวนนะให้คนอื่นบ้างจบยังและค่าหลวงพ่ออ่าเบอร์15หหรือเบอร์อะไรกราบน้ำพระตากรครับท่น า, า, บานอาจารย์นี่ผมเป็นวันที่สอนที่ได้จับใหม่นะครับอ า, อาจารย์ไม่ได้การบ้านผมนะครับ แต่แต่ผมก็อยากส่งการบ้านครับเอาว่ามา <laughs> คือผมมาอยู่ที่ห้อยชาเรนนี่หลายวันนะครับมีท่านผู้รู้เมตตาผมให้การแนะนำในการดูจิตและดูกายกับผมจนกระทั่งจิตผมรู้สึกเป็นอิสระนะครับแล้วก็บางคังก็มีธรรมปิติมีมีจิตที่สดใสดีกว่าเก่านะครับ ก็ <p> อยากจะทราบว่าตอนนี้จิตของผมเป็นยังไงบ้างครับก็ด <K> ีขึ้นนะจิตโปร่งโล่งเบาขึ้นยกเพราะฝึกเอาอีกนะกลับไปแล้วก็ต้องฝึกอีกครัว<ย>ิธ<ม>ีฝึกที่ดีก็คือจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปบังคับเขานะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจงใจว่าจะต้องรู้ได้ตลอดเวลา <K> เรารู้บ้างเผลอบ้างแค่อย่าเผลอนานเท่านั้นแหละอย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดรึเ่าไหมใจมันไหลแแบนไหลไปคิดนะให้เรารูร้ทันว่าใจไหลไปคิด ผมควรจะดูจิตก่อนหรือดูกายครับของโยมดูกายให้เยอะไว้นะร่างกายเคลื่อนไหวเคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้อ่าอยากได้การบ้านด้วยครับนี่ไงไปรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกครนะไปทําเอาขอบคุณครับเบอร์15บห้ากัดวการสั้นจานครับคือส่งการบ้านครั้งแรกเมื่อวันศุกร์ครับก็อาจารย์ให้การบ้านไปทำทีนี้มาเมื่อวานนี้ ตอนกราบรูปเหมือนหลวงปู่ดูนีนรู้สึกเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งมันกราบอยู่ทีนี้เรื่องาพฟังไม่ค่อยออกคือตอนตอนเข้ามาที่ที่วัดนะฮะกราบรูปเหมือนหลวงปู่ดูลนนะฮะก็รู้สึกเหมือนตุ๊กตาใครเหมือนเราเหมือนหรือหลวงปู่เหมือนเออตัวกราบเน่เหมือนเอออย่างนั้นใช้ได้เห็นหลวงปู่เหมือนตุ๊กตาก็เป็นตุ๊กตานั่นแหละแล้วก็ตอนมาฟังท่านอาจารย์เทศถ้าเกิดว่าเป็นคาำ ภาวะที่เกิดจากการฟุ้งเฟ้อั้องขอศีกรรมท่านอาจารย์ด้วยเพราะว่าเห็นท่านอาจารย์ไม่ชัดก็เลยถอดแว่นแล้วก็ใส่ใหม่ก็ไม่ชัดก็เช็ดตาเช็ดแว่นก็ไม่ชัดอีกทีนี้ฟังไปฟังมาก็คือพบถ่รูปกับรูปเหมืนหลวงปู่ ด, ด้านหลังกับท่านอาจารย์มันคล้ายๆแผ่นกระดาษเป็นแผ่นเดียวกันอันนี้มันฟุงดด้งซ่านหรือเป็นไงไม่ฟุ้งกนะแต่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันจะ <Yeah. S 2> เห็นอย่างนั้นก็เห็นถ้าไม่เห็นก็ช่างมัน <Yeah. S 2> นะไม่เป็นไร ถ้าเราภาวนาไปช่วงหนึ่งเราเห็นโลกนี้แบนราบเป็นนักระลองเลยเรียกโลกกธาตราบเป็นนักกล้องเลยหมายถึงมันไม่มีอะไรโดดเด่นสะดุดตาสะดุดใจให้มาใจมันเป็นกลางกลางแต่ถ้าเราน้อมใจให้เป็นกลางๆแล้วเราเห็นโลกแบนๆเพราะน้อมใจเอานรื่องแกล้งทำดังนั้นใช้ไม่ได้ถ้าเห็นเองไม่เป็นไรคือปัจจุบันที่ส่งการบ้า น, นครั้งแรกถ้าอาจารย์บอกมันใกล้ๆตอนนี้มันถึงหรือยังฮะ ถึงฐานนั่นเหรอไม่ทรามกันนะตั้งมั่นถึงฐานไม่ไม่แน่ใจในคำจากัดความอย่างยังนะยังไม่ถึงทีเดียวยังอยู่ข้างนอกนิดนึ่งขอคําแนะนำครับให้รู้ทันไปเรยนะค่อยรู้รู้รู้ความรู้สึกไปเรื่อยหมั่นรู้ความรู้สึกตัวเองที่กําลังปรากฏบ่อยๆนะยังไม่ค่อยเข้ามาเองกราบขอบพระคุณครับเบอร์สิบเบอร์สิเนี่เบอร์อะไรเมื่อกี้ยกไว้ยังเบอร์หกเอเบอร์สิก่อนแล้วไปเบอร์หกแล้ว21 ต้องทวงเอานะเรียกแล้วบางทีก็ลืมสิทธิของคนแก่นะ่ที่ลืมอะ่ะพระอาจารย์เจ้าคะหนูได้อ่านหนังสือธร ร, ธรรมะของพระอาจารย์แล้วก็ฟังเทปซีดีนะคะรู้สึกว่าหนูเข้าใจมากกว่าออของพระ อ, อื่นๆนะคะ ทีนี้หนูวันนี้หนูมากราบนะคะเพื่อที่จะขอเป็นลูกศิษย์กรรมฐานได้ไหมคะไม่ต้อง <นะ S 1> สมัครหรอกนะไม่มีใครเขายื่นใบสมัครสักคนค่ะเพราะว่าหนูจะรีบกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะได้กลับบ้านเลยพยายามรู้สึกตัวไว้นะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกแต่ต้องรู้สบายๆอย่าให้เครียดนะเครียดนิดเดียวก็ไม่ได้นะรู้สึกตัวสบายๆ หรือม่ก็ท่องพุทโธเล่นๆในใจเรื่อยๆพุธโถพุทโธสบายๆนะพระอาจารย์คะช่วงนี้หนูเกิดโถสะบ่อยนั่นแหละหลวงพ่อถึงบอกว่าให้บริกรรมไปเรื่อยๆนะพุทโธคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆนะแล้วใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันแล้วก็มีพระอาจารย์ที่วัดกัลเวศสกาวันนะคะบอกให้หนูยังไงคะคือ มีเมตตาค่ะให้ใช้เมตตาเยอะให้เมตตาไปแก้โทสะนะแต่หูต้องฝึกให้มีสติขึ้นมาเมตตาไปแก้โทสะก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเป็นชั่วคราวเป็นไหนมีเมตตาข้ามาก็ไม่โกรธหมดเมตตก็โกรธอีกนะดั้วเราต้องฝึกไปให้ถึงเครื่องมือตัวถัดไปเครื่องมือตัวถัดไปคือการเจริญสติการที่เราเจริญเมตตาไว้ได้สมถะกรรมฐานแล้วข่มโทสะได้ชั่วคราวจิตใจของคุณมันแตกกระจายนะ มันฟุง้งซานกระจายกระจายไปนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าบริกรรมไว้พุโทโธพุโทโธเล่นๆนะถ้าไม่ชอบคําว่าพุโทโธเอาคําอื่นก็ได้หรือสวดมนต์สั้นๆในใจนะนะโมตาสาัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอันแค่นี้ก็พอจะสวดบ่อยๆนะสวดไปแล้วก็ใจเราแอบไปคิดให้รู้ว่าใจหนีไปคิดอย่างนี้ถ้าเราสวดไปแล้วใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจหนีไปคิดเรารู้ทันบ่อยๆนะใจมันจะรวมตัวเข้ามานะ พระอาจารย์นจ้คะปกติแล้วนะคะหนูจะท่องอรหังสัมมาแล้วก็นโมตระสะสามจบแล้วก็พุทโธพุทโธนะคะแล้วก็หนูหนูจะทํางานดึกมากมแล้วก็ตอนเช้าก็จะตื่นไปส่งลูกเพราะฉะนั้นเวลาในการปฏิบัติธรรมคะ่ะไม่เกี่ยวนะเราท่องพุทโธได้เวลาเอาลูกไปส่งโรงเรียนเราก็ท่องพุทโธไปได้เห็นไหมหแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดําเนินอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นต้องใช้สติ แล้วก็ทุกเมื่อเลยอะค่ะต้องใช้สินะแล้วก็ต้องใช้ให้เยอะด้วยจิตใจของเรามันแตกกระจากระจายไปให้เราคอยรู้ทันจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเรากังวลขึ้นมาก็คอยรู้เอานะคอยดูเอานั่นหนูขอกับนมันสการลานะคะไปเถอะไปพระอาจารย์จะให้พรหนูไหมออให้พรให้พรนะให้มีสติไวๆนะเออ คนนี้ให้พิเศษเห็นไหมอ้าวเบอร์หกมรสรายหลวงพ่อครับมเมื่อวันพฤหัสมาส่งการบ้านตอนนั้นจิตมันน้อมนะฮะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันซึมยาวไปถึงบ่ายแล้วก็พอดีได้คุยกับพี่เลี้ยงนะฮะแล้วมันก็หลุดออกมาบานนะฮะแล้วเมื่อวานก็ผ่อนๆลงมาจนเมื่อเช้ามันเกือบจะกลับเข้าไปใหม่ เราพอดีได้คุยกับพี่เลี้ยงอีกทีนะคุณอ้อยก็มันบางขึ้นมาตอนแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันกดๆนะฮะทีนี้ถูกต้องแล้วครับนะดูไปงั้นอยากจะขอการบ้านหลวงพ่อยังไม่เคยขอ <laughs> <c oughs> ก็รู้ไปนะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นดูไปได้ครับดูโลกปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้สึกไปไม่มีอะไรหรอกง่ายครับง่า ย, ยาตายคิดมากนะกรับ ขอพอหลวงพ่ออย่างขอให้จับฉลากได้ครับเออให้ถอนให้จับฉลากได้ขอบพระคุณครับเอารัดส่งกันบ้านตอนนี้ก็ว่าไงจิตใจปรองขึ้นกว่าเมื่อเช้าจิตเป็นไงช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้เออเออเหมือนก็นว่าภาวนาเป็นไงภาวนาช่วงก่อนมันเหมือนกับมันไม่ค่อยไม่ค่อย เมื่อก่อนมันไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยชัดแต่ว่าช่วงนี้ก็คือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่ามันมันเป็นยังไงอะคะ่ะเพราะว่าได้แต่รู้ต้องรู้เรื่องนะเวลาพูดอะพูดไม่รู้เรื่องไม่ได้ก็คือเอาถ้าสองเดือนก่อนนะคะค่อนข้างแบบเหมือนรัดขี้เกียจ ด, ด้วยะคะ่ะแล้วก็ เหมือนกับมันไม่ค่อยจะช่วงนี้จิตดีขึ้นแล้ ว, ลวนะจิตดีขึ้นแล้วหลวงพ่อพูดแทนก็แล้วกันว่า <c oughs> จิตดีขึ้นแล้วเราคอยรู้สึกเรื่อยๆนะใจไม่กังวลถึงอดีตไม่กังวลถึงอนาคตอยู่กับปัจจุบันให้เยอะๆนะอดีตจบไปแล้วไม่เอาเาก็เป็นเครื่องกังวลใจดูปัจจุบันไปนะออครั้งก่อนหลวงพ่อบอกว่ามันไม่มันขี้เกียจไม่เดินปัญญาก็ ก็ให้ยังให้ดูต่อไปให้รู้ต่อไปว่ามันยังม่เดิตอนนี้ตอนนี้มันเริ่มขยับขยื่นแล้วะดูออกไหมมันไม่ใช่ไปรู้ตัวแล้วนิ่งเฉยเ ย, ย, ยว่างๆอยู่<ฆ>ถ้ารู้ตัวแล้วนิ่งเฉยเฉยว่างๆอยูอย่ใช้ไม่ได้กขี้เกียจให้คอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจตอนนี้รัตรู้สึกกายรู้สึกใจได้กระฉับกระเฉงขึ้นดูออกไหม<ฆ>อาจารย์สุรพลส่งกันบ้านนรมัสการท่านอาจารย์ครับผมมาเรียนกับท่านอาจารย์ได้ครบปีพอดีครับ ก็ดูดูจิตนี้ไม่ค่อยทราบอะไรเท่าไรแต่ก็พยายามรู้กายออกไปเรื่อยๆครับก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเยอะนะก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ครับดีนะจิตโยมแข็งแรงขึ้นดูออกไหมครับจิตตั้งมั่นจิตเป็นกลางจิตเบานะครั บ, ร, บรู้ทุกอย่างที่ผ่านมานใจเป็นกลางได้เยอะขึ้น เปลูกสิษย์หลปู่เทศใช่ไหมครับหลวงปู่เทศเคยสอน้ผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงซึ่งแม้เรายังไม่เข้าถึงกลาง100เอร์ะนะเราเริ่มเข้ามาบ้างแล้ว ม, มีความมั่นคงมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นครับเราเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นรู้สึกไหมครับอาจารย์สุรพลเห็นแล้วว่าโลกไหลผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆจิตเห็นได้แล้วดีแล้วดูไปครับก็กลับมาดูลงไปอีกตัวเราไม่มีครับกลับมาคุณท่านอาจารย์ที่ สั่งสอนมาครบหนึ่งปีครับให้กันบ้านนะที่อาจารย์รู้เนี่ยตอนนี้อาจารย์เห็นโลกไหลผ่านไปเฉยๆแต่ใจยังไม่ย้อนมาพยายามย้อนมารู้กายรู้ใจของเราบ่อยๆหน่อยนะเพราะฉะนั้นมันจะสบายๆไปใจอาจจะเพราะว่ามีปัญหาเยอะมันเลยหมกมุ่นออกไปข้างนอกใจมันเลยไม่ทวนเข้ามาตั้งมั่นภายใ น, นแต่อย่าไปบีบเค้นมันนะแค่รู้ว่าตอนนี้มันสนใจออกข้างนอก เดี๋ยวต่อไปก็เบอร์ยี่สิบเกี่บอร้อยสามหกเก้าเมีป้ายไหมมีเบอร์มั้ยเบอร์สิบห้าครับน้มัสการหลวงพ่อครับก็จะมีบางทีที่จิตสบายสบายอ่ะครับจะเห็นเกิดเป็นดวงไแค่เป็นแสงเกิดดับกิดดับไปเรื่อยๆอ่ะครับไม่ทราบอันนี้เป็นสมถาะาหรือเปล่าครับสมถะ ให้เรารู้เฉยๆนะมันอยู่ที่ว่าเมื่อจิตไปรู้สภาวะอยนั้นจิตเป็นกลางไหมหรือจิตไปสนใจมั น, นถ้ารู้ได้จิตที่เป็นกลางก็ใช้ได้แล้วเพราะทุกสิ่เกิดแล้วดับได้ทั้งสิ้นเลยแล้วผมควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดูจิตไปนะดูจิตไปครับเมื่อ21ใช่หมร้อยสามหกขอได้ไหมคะจำเรียกไว้แล้วใช่ไหมเรียกไว้แล้วค่ะกัมลําสการค่ะคือว่า ช่วงที่ผ่านมานะคะฟุ้งซ่านแล้วทีนี้มันก็รู้นะคะแล้วมันก็สอนต่อไปว่าขณะที่ฟุ้งซ่านถ้าตาไปขณะดนี้ยจิตมันเศร้าหมองมันมันมันมันจะเป็นทุกข์นะคะมันมันจะสอนโดยอัตโนมัตินะคะแล้วคือขณะที่หลงมันก็ช่วงนี้หลงไปบ่อยมากนะคะแล้วมันก็เข้าไปในความทุกข์บ่อยมากนะคะคือว่ามันไม่ทันนะคะ แล้วบางครั้งหนูก็จะดูดูการเคลื่อนไหวของกายนะคะมันจะเห็นว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเคลื่อนไหวมันไม่ใช่เรานะคะถูกต้องแล้วทีนี้บางทีอย่างปัจจุบันเนะะี่ยค่ะหนูก็จะหมุนมือไปด้วยนะคะก็ดูว่ามันเคลื่อนไหวนะดูการการเคลื่อนไหวของมันนะคะไม่ไม่มได้หลงเข้าไปร่วมนะคะแต่แต่ต้องเน้นว่าขณะที่มีสตินะคะท่านก็ดีขึ้นนะที่ภาวนาะตอนเนี้ดีไปแต่ก่อนแล้ว ใจค่อยเป็นอิสระมากขึ้นโปร่งโลง่โลงเบามากขึ้นนะตั้งมั่นมากขึ้นไปดูอีกแต่ก่อนนี้เพ่งมากไปตอนนี้คลายการเพ่งออกไปและค่ะ ข, ขอพ่ะคุณมากค่ะเบอร์อะไรที่เรียกไปแล้วยี่สอนมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่อข้าของหนูมันอยู่นอกๆ อ, อยู่เปล่าเลใช่อย่าไปกังวลนะค่ะมันอยู่นอกๆรู้ว่าอยู่นอกๆ ก, ก็รู้ถูกแล้วก็ใช้ได้ก็ปล่อย ก็รู้อย่างเป็นกลางว่าเขายังอยู่นอกๆเพราะหนูรู้สึกว่าเวลามันมีภาษะเข้ามาแต่หนูสังเกตไหมบางทีใจมันก็ชอบกังวลใช่เจ้าค่ะให้เรารู้ทันใจที่กังวลเวลาความกังวลผุดขึ้นมาก็รู้ทันเอาเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอ้าวไปถึงไหนละกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะคือไม่ทราบว่าที่หนูรู้เนี่ยหนูรู้จริงๆหรือว่าคิดว่ารู้อะค่ะก็รู้นะแต่ทั้งรู้บ่อยๆ เห็เกตดไหมเวลากิเลสเกิดเห็นไหมเห็นกิเลสตัวไหนบ่อยเอส่วนใหญ่จะเห็นหลงบ่อยนะคะเห็นหลงบ่อยก็ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆจิตหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้นะฝึกต่อเอาต่อไปใครที่เรียกไปแล้วนมัสการครับก็ตอนนี้ตื่นเต้นอย่ครับแต่ว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้หายไปนานแล้วก็ ล้างลางลาไปพอสมควรนะครับคือมันหลงไปนานมากเลยครับแล้วก็ช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีไปเจอกับคนคนที่ผมเคารพครับเขาก็เขาก็เคาะกระโหลกให้แล้วก็เขาเขาก็เขาก็เศร้าเขาบอกว่าเขารู้สึกเศร้ามากที่ ท, ที่ที่ผมล้างลาไปนานเลยครับแล้วก็แต่ว่าตอนพอฟังที่เขาพูดเนี่ยก็รู้สึกไอ้ที่มันมัวมัวมันก็ มันคลายออกไปค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็มันก็เริ่มกลับมากลับมาดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ า, าแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าบา ง, บางครั้งอย่างช่วงเวลาก่อนอย่างก่อนเมา ว, วันนี้ครับตอนช่วงกลางคืนก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันดูไปเองโดยโดยโด ย, โดยอัตโนมัติ ข, ของมันนะครับถูกต้องแล้ว ก็ขอขอกันบ้าภาวนานะทําเป็นแล้วนะทําเป็นแล้วต้องขยันดูเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะแต่ยังบุญนะที่กะโหลกบางขอแล้วยังสติเกิดขึ้นมาได้รู้ได้อย่างจิตที่ตื่นมันมีความสุขรู้สึกไหมเมื่อกี้เนี้ยนัมันมีความสุขนะเรื่องอะไรเราต้องไปหาแต่ความทุกข์ให้ตัวเองเรื่องไร้สาระทั้งนั้นพยายามภาวนาเขาจะได้มีความสุขถาวรเอาต่อไปยกมือ เบอร์อะไรล่ะยกเบอร์ยกเบอร์อร้อยสองร้เบอร์อะไรที่อยู่ข้างๆไม่มีเบอร์นะแล้วก็มา4 74เจ็สี่เบอร์7เอาแค่นี้ก่อนจําไม่ได้แค่นี้ก็จําไม่ได้แล้วนมส ก, การครูบาอาจารย์ครับคือผมก็สนใจเรื่องธรรมามาหลายปีแล้วก็เคยอ่านหนังสือของหลวงพ่ออยู่ช่วงหนึ่งสมัยเคยบวชอยู่ครับก็ทํามาหลายปียังไม่รู้เลยว่าจะจับหลักทิทฐานยังไงอยากขาอการครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำให้ได้นะ ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรสิ่งที่ต้องมีตลอดเลยคือสติสติตนะ้องคอยรู้สึกตัวไว้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจคอยรู้สึกของคุณยังติดเพ่งอยู่ครับรู้สึกว่าเพ่งมากเลยที่ทํามามันเพ่งไงมันเลยเดินต่อไม่ได้เพราะถ้าเราเพ่งนะกายก็นิ่งใจก็นิ่งเมื่อมันนิ่งมันไม่แสดงไตรลักษณเพราะไตรลัก์มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลง น, นะงั้นอย่าไปกดให้มันนิ่ง จะปล่อยให้กายให้ใจเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยแล้วก็คอยรู้ไปอย่างตอนนี้จิตไปคิดทราบไหมครับจิตอย่างฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็ไปคิดตามใช่ไหมฟังแล้วก็ไปคิดตามให้ค่อยหัดรู้สภาวะไปจิตมาตั้งใจฟังก็รู้อย่างขณะนี้ตั้งใจฟังอยู่หรือจิตแอบไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้ค่อยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นครับ เคยพยายามลองลองไม่เพ่งลองปล่อยก็ก็หลงไปเลยไม่ไม่รู้ตัวเลยครับแด่หลงแล้วค่อยรู้สึกเอานะหลงแล้วรวู้ว่าหลงแต่ว่าทางที่ดีเนี้ยลองหัดเคยหัดแบบไหนมาก็อ่าบริกรรมพุทโธแล้วก็ออพุทโธไปอย่างนั้นแหละพุทโธแต่ว่าอย่าพุทโธให้จิตนิ่งพุทโธแล้วค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อย พุทโธพุทโธพุทโธจิตแอบไปคิดและรู้ทันว่าจิตไปคิดไม่ว่ามันนะพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตซึมแล้วรู้ว่าซึมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเงี้ยคุณบริกรรมพุทโธไปไม่ต้องทิ้งหรอกของเดิมใช้ได้อยู่แต่ว่าแต่เดิมไปพุทโธแล้วเพื่อให้จิตนิ่งพุทโธไปหายใจไปให้จิตนิ่งมุ่งเอาตรงนั้นมากไปต่อไปนี้พุทโธแล้วคอยรู้ทันจิตนะพุทโธแล้วเห็นจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคนถัดไป เขากายครับหลวงพ่ อ, อ, อบางช่วงผมดูแล้วผมเริ่มเห็นความเป็นกลางบ้างแล้วครับอืแล้วก็บางทีก็รู้สึกว่าเ อ, อมันทําอะไรไม่ได้ครับทําไม่ได้หรอกแล้วก็แป๊บหนึ่งนะคุณที่เรียนพุโทโธตเกี้จิตมันถลําไปนะเมื่อกี้เนี่ยมันถลนะําออกไปรู้นึกออกไหมเวลามันจะไปรู้อะไรนะมันจะถลําลงไปอย่างเมืเ่อกี้ตอนนี้ความสงสัยเกิดขึ้นทราบไหม ความสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันมันนะตอนนี้ทําใจให้ลอยๆบ้างๆอะรู้สึกไหมตัวนี้น้อมใจไปเป็นสมถะนะี่ให้คอยรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะเอาใหม่บริกรรมไปอ๋อครับต่อครับก็เอ่อก็เหมือนบางครั้งรู้สึกเหมือนทําอะไรไม่ได้ครับเพราะแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าบาง บางทีมันก็ทอ้อครับเพราะว่ารู้สึกความสุขทางโลกมันหายไปเรื่อยๆครับแต่ความสุขทางธรรมนี่ก็มันอธิบายไม่ถูกมันดูแบบนิ่งๆนั่นแหละวสุขสุขสงบไงโลกมันสุขร้อนธรรมะมันสุขเย็นครับก็อย่ายไปเสียดายมาั่น ไ, <ม>ไม่มีอะไรหรอกโลกครับแล้วไงอีกก็ พอบางทีก็รู้สึกทอ้อแต่ว่าผมก็คิดว่ายังไงก็ไม่เลิกครับหลวงพอ่อเออต้องไม่เลิกนะท้อก็ได้ขี้เกียจก็ได้แต่ทอรู้ว่าทอ้อขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไม่เลิกหรอกครับหลวงพ่อก็อเคยมีข่าวหนึงบวชมาได้พรรษาที่สามแล้วนะในพรรษาเลยว้าทอดใจเลยท้อใจไม่รู้จะทํำยังไงต่อไปแล้วสติสมาธิปัญญาแล้วก็เกิดหมุนจีอยู่รับตัวนะไม่ผ่าน ทำอะไรก็ไม่ได้ญญไนะแล้วจนปัญญาทอ้อเหมือนกันนะแตท้อเรารู้ว่าท้อยอมรับสภาพได้แค่นี้ชาตินี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ต้องใจถึงๆอย่างนั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ไมวพระสวดมนต์ทุกวันแล้วก็อธิษฐานครับว่ายังไงก็ไม่เลิกครับเออดีแล้วอย่าเลิกให้คนอื่นไปรเราก็ดูของเราไนดะ้อย่าเลิกใครที่เรียกไปแล้วยกมือเบอร์สี่สิบเจ็ดส 5้าสใช่มครับกราบแมัสการหลวงพ่อครับเคยเศึกษ า, าฟังเรื่องทางเอกครับทีนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองมีจริตยังไงครับเพราะคุณเป็นคนช่างคิดนะเอาเหรครับโอ้ผมตอนแรกผมเชื่อของผมเป็นสมถญานิกช่างคิดออกแล้วสงบไหมจิตก็จริงๆเคยได้ยิน เ, เรื่องหลวงพ่อมานานแล้วก็แอบฝึกนะฮะพอฟังจากเพื่อนสอนพอตอนพอดีตอนนั้นเพอเอิญอยู่ต่างประเทศ บ้านเมือมันค่อนข้างสงบแล้วตัวเองก็ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับภาระหรืองานก็รู้สึกนั่งแล้วก็สงบดีิงอ๋ออย่างงั้นง่ายสิสิ่งเวดล้มันก็เหนื่อยครนะมาถึงวันนี้เป็นนั่งไม่ค่อยลงแล้วแต่พอกลับมาเนี่ยรู้สึกว่าทำไมตัวเองนั่งสมาธิไม่ได้เมื่อมันทําไม่ได้ตอนเนี้ดูจิตไปเลยครนะเพราะเราทําสมาธิไม่ได้ครับแล้วที่ผ่านมานี่ทําทุกวันนี้ไม่แน่ใจว่าใจมันยังไม่ตั้งมั่นนะครับ พอใจเราไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราไม่สามารถรู้ทุกอย่างด้วยความเป็นกลางได้จริงอะ่ะใจมันจะไปยินดีบ้างยินรายบ้างครับอยรู้ทันไปครับนะแล้วบางครั้งพอขับรถแล้วรู้ลมหายใจมาเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าครับขับรถต้องดูถนนนะพี่ดูลมหายใจเพราะฉะนั้นขับรถไปเนี่ยรู้สึกตัวไปอย่าให้ใจไปดูลมหายใจบางคนดูแล้วจิตรวมไปเลยไปชนกับคนอื่นเขามีมาแล้วนะชนทีเดียว5้าคันเนี่ย เราพยายามเวลาขับรถเราพยายามรู้สึกตัวเปิดซีดีหลวงพ่อไว้แล้วอย่าให้ใจมันนิ่งก็ก็เปิดฟังอยู่เรื่อยๆค่ะคเปิดแล้วอย่าน้อมใจเข้าไปหาความนิ่งของคุณมันเคยชินอย่างหนึ่งว่าถ้าจะภาวนาแล้วจะต้องนิ่ง ม, มันจะน้อมเพื่อหาความนิ่งเรื่อยๆไม่ดีหรอกเสียเวลาแล้วมันนิ่งไม่ได้จริงอะ่ะมันวันนี้นิ่งนะพรุ่งนี้ก็ฟุ้งซ่านเมืองไทยมันยุ่งจะตายไปสงบยากแต่ผมก็ยังควรที่จะเจริญสมถาถะสมถะไม่ทิ้ง ไม่ทิ้งนะแต่จเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเลยครับคืออะไรเกิดขึ้นในจิตใจรู้บ่อยๆ อ, อย่างตอนนี้จิตหนีไปคิดแล่วไหมจิตไปคิดแล้วครับนะคอยรู้ว่าคนต่อไปกล่าวนามัสการหลวงพ่อค่ะลูกลูกอยากให้แนะนาให้หลวงพ่อแนะนำให้ว่าลูกควรจะปฏิบัติธรรมะอย่างไรให้ดวงตาเห็นธรรมะค่ะ รู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะร yani. uther, inton, bags, ู้สึกร่างกายมากๆไปเลยแล้วจิตใจมันจะเห็นไปเองอ่ะมันจะเห็นจิตเองอย่างถ้าเราเดินให้เรารู้ว่าเราเดินเหรอคะเดินแล้วก็รู้ว่าร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะเดินแล้วเห็นร่างกายมันเดินเหมือนเห็นคนอื่นเดินนั่งอยู่ก็เหมือนเห็นคนอื่นนั่งไปยักหน้าเหมือนเห็นคนอื่นไปยักหน้ามันจะไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเรานะ อย่างถ้าเรานั่งสมาธิเริ่มต้นเพื่อให้เราผาร่อนคลายในแต่ละวันนะคะหลงวงพ่อนั่งไปสิแล้วเสร็จแล้วก็มารู้กายไว้เห็นไหมร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่ะนะไปดูกายทําความสงบเข้ามาของคุณนะทำความสงบได้ทำไปค่ะทาความสงบแล้วก็ดูกายไปเห็นร่างกายทํางานพารู้กายไปด้วยมันจะเห็นจิตด้วยค่ะนะจะเห็นเอง แล้วถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งเราเกิดอารมณ์โกรธโกรธมากเราควรที่จะระงับความโกรธอย่างนั้นโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องบานปลานี่เราควรที่เราผิดไหมคะมันผิดในหลักของวิปัสสนาแต่มันถูกอย่างโลกโลกนั้นเวลามีความโกรธขึ้นมานะเราต้องนึกถึงนะว่ายัางไงก็ไม่ผิดศีลห้า ไปด่าเขาไปตีเขาใน้ผิดศีลห้านะเรงนั้นเราตั้งใจรักษาศีลทุกวันทุกวันเพื่อเราจะไม่ดั่งพร้อยตรงนี้เพราะโกรธขึ้นมาเนี่ยทางกายทางวาจาเราไม่แสดงออกในทางใจเราไม่เก็บกดให้เรามีสติรู้ทันใจที่กำลังโกรธไปเลยแต่ถ้าสู้ไม่ไหวจริงๆนะที่กำลังจะเชือดคออยเขาแล้วเราก็เดินหนีไปสู้ไม่ได้ก็ต้องหนีเหมือนกันแต่ถ้าสู้ได้ดูได้ก็ดูของเราไปอย่าไปข่มมัน ขม่มทางกายทางวาจาไว้แต่ทางใจไม่ขม่มเห็นใจที่โกรธดูใจที่โกรธไม่ใช่ไปดูให้หายโกรธค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะเอที่ยกไปแล้วเชิญต่อไปเบอร์52เปิด7เบอร์อกราบนะ้ำมัสกา่หลวงพ่อค่ะคื อ, อเคยมาหาหลวงพ่อหลายครั้งแล้วแล้วก็แบบฟังซีดีหลวงพ่อแต่ว่า มันก็แอ บ, บสงสัยแบบคิดไม่ได้ว่าคือจริตแบบหนูควรจะดูกายหรือว่าดูจิตเดียค่ะอย่าคิดมากเลยนะเร า, าดูจิตได้อยู่แล้วเราดูไปอย่างจิตใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะมันโกรธขึ้นมาก็รู้ดูไปเรื่อยๆ เ, เราเราเราอย่าง คือครั้งครั้งก่อนนะคะเคยถามหลวงพ่อว่าแบบนั่งสมาธิได้ไหมหลวงพ่อก็บอกว่าอย่านั่งแบบเดี๋ยวติดซึมให้ไปเดินจงกร ม, มหนูก็ไปเดินจงกรมก็คือพุทเอ่อเท้าขวาย่างก็พุทธซ้ายก็โถไปเรื่อยๆเวลาไปไหน ม, มาไหนอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วตอนนี้กลับไปนั่งสมาธิได้ยังอะคะ่ะ <c oughs> รู้สึกไหมเวลานั่งสมาธิเวลาจิตมันจะเคลิม้มจิตจะไหลไปอะไรเงี้ยถ้ารู้ทันแล้วก็ไม่ไหลไปไม่เป็นไรหรอก ล อ, run, ลองนั่งให้ดูสิวางไม้ลงแล้วนั่งให้ดูสิเดี๋ยวก่อนนั่งหนูม <c ute> <c ute> ีอีกนิดเนื้อค่ะคือคือคือวันวันก่อนนะคะไปเดินตรงกลมแบบเหมือนเดินเล่นนะคะออก็เดินแบบพุตโธพุตโธไปแล้วสักพักหนึ่งแบบเหมือนมีสัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือคิดไปเองแล้วก็ตกใจกลั ว, วพอตกใจกลัวก็รู้สึกว่าไอ้ไอ้จิตมันก็แบบที่มันตกใจมันก็หยุดส่วนตกใจแต่ว่าเห็นแขนขามันแบบขยับเตรียมจะวิ่งหนีก็แบบ อย่างนั้นนี่คือใช่ใช่เปล่าคะใช่แต่ว่าหนูดูต่อไม่ได้ว่าหนูดีใจที่แบบเห็นอย่างนี้คะ่ะฮะมันมันดูไม่ได้ก็ดูไม่ได้สิดูไม่ได้ไม่ต้องไปฝืนดูอ๋อดูเท่าที่ดูได้แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่คือเมื่อก่อนเคยเคยเคยเห็นอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ครั้งหนึงแต่ว่าพอมันอยากแล้วมันมันไม่เห็นแต่พอแบบมืนมันไม่อยากอยู่ๆมันก็จะเห็นขึ้นมาเองใช่เปล่าใช่เปนเห็นเองค่ะงั้นงั้นเดี๋ยวหนูนั่งสมาทิให้ดูแลนั่งโชว์หน่อยขอบคุณค่ะ เอาเบอร์เจส่งกันบ้านกราบมรสการหลวงพ่อค่ะก็มาที่วัดก็หลายครั้งแล้วพอดีไม่ได้ไม่เคยได้ส่งก็ก็ฟังเทปธรรมะหลวงพ่อไปก็ปฏิบัติตามบางทีบางครั้งก็ฟูงไว้บ้างเผลอไว้บ้างนานนดบ้างก็อยากจะเรียนขออนุญาตหลวงพ่อว่าพอดีได้แผ่นธรรมะจากหลวงพ่อไปฟังแล้วก็บางทีก็ไล่แจกญาติรมค่ะอย่างนี้ถ้าไม่ได้ขออนุญาตหลวงพ่อนี่บาปไหมคะไม่บาปหรอกได้บุญ ก็ใยอย่าทางแต่ไปว่าจิตใจตอนนี้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างภาวนาตอนนี้ใจก็สบายขึ้นแล้วนะดูไปเล่นๆแต่ว่าใจมันไม่ตั้งมั่นใจมันกระจายออกไปข้างนอกรู้สึกไหมใจมันโล่งๆกว้างๆออกไปข้างนอกมัจะสบายอย่างเดียวให้คอยรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์มันดีมันชั่วคอยรู้สึกเรื่อยๆขยันรู้สึกจิตใจบ่อยๆไม่งั้นมันจะเอาแต่ความสุข ก็ตอนนี้ก็บางทีเกิดความรู้สึกมีความสุขขึ้นก็จะพยายามจะรู้เท่าท่านมันึงก็จะมีความรู้สึกว่าเออสุขมันแป๊บเดียวอย่าไปคิดเอานะอย่าไปคิดเอาว่าสุขแป๊บเดียวให้เห็นเห็นจริงจริง <Okay. S 2> อย่าไปคิดนําที่นั่งสมาธิอยู่แต่เกียจจิตหลงไปแล้วถลํา ล, ลงไปซึมอยู่ข้างในขึ้นมาเอาสกิดหน่อยอย่านั่งให้ขาดสตินะนั่งต้องรู้สึกตัวอยนั่งให้เคลิมไม่เอา นั่งแล้วใจเราไหลไหลไหลหลออกไปไม่เอาไม่ดีนั่งแล้วใจไหลรู้ว่าใจไหลไปถึงจะดีเด็วพ่อคะอีกนิดหนึ่งแกนบ้านนะคะไปดูเอาค่ะ ข, ขอบคุณค่ะขยันดูนะแต่ว่าให้รู้ทันใจไม่ตั้งมั่นใจมันไปหลงๆสบายอยู่ข้างนอกนั้นเอาข้างหลังถอยไปข้างหลังแล้วก็มาเบอร์ห1อแล้วเบอร์อะไรเบอร์93้าสมสอง 20 3 4 8 9ได้แค่นี้มั่งวันเนี้ยนมสการครับหลวงพ่อจำเบอร์ไว้นะเหลวงพ่อลืมไปแล้วว่าไงก็ช่วงนี้ก็ยังพยายามทําในรูปแบบตามที่หลวงพ่อสั่งอยู่ฮะคือเดินจงกรมตอนกลางคืนไม่ขาดก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีเท่าที่อยากเท่าไหร่ฮะเท่าที่อะไรนะเท่าที่ เท่าที่กิเลสมันต้องการนะฮะ<อ>คือรู้สึกมันมันอยากให้มันดีขึ้นเร็วกว่านีถา้ถ้าอยากได้เหมือนที่กิเลสต้องการต้องเป็นเท่าละหันเลยครับ <laughs> ถ้ากิเลสอยากเป็นพระละหัน <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> มันเป็นเท่าที่มันเป็นนั่นแหละยิงแต่ปรีชาสังเกตนะใจเรายังกระจายออกไปนะครับ <laughs> ใจไม่ตั้งมั่นให้รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นนะดวกเป่าขณะนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นดวออกไหม รู้สึกมันจะเจ้าไปา น, นั่นแหละมันเจ้าออกไปข้างนอกมันไม่ทวนมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจของเราถ้ามันไม่ย้อนเข้ามาหากายหาใจมันจเจริญปัญญาไม่ได้ครับนะพยายามย้อนพยายามนึกถึงกายถึงใจนะกระทบอารมณ์แล้วก็สังเกตใจเป็นระยะระยะไปอย่า ก, กระทบแล้วก็เฉยกระทบอะไรแล้วก็เฉยเฉยไปเรื่อยๆทีนั้นมันโล่งว่างไปเฉยๆหนีไปหาความสุขนะเดี๋ยวติดสมถะ ก็รู้สึกช่วงนี้มันมันมีแต่ความสุขครับไม่รู้สึกอะไรกันเลยมันกำลังเป็นโลกเอ๋อครับนะมันเป็นโลกเอ๋อไปสบายเผลอเเพลินเไปครับพยายามรู้สึกทวนเข้ามาดูกายดูใจให้มากๆนะครับดูไม่ถึงใจก็ดูกายไปครับแล้ววันนี้พาแม่มาด้วยครับแม่ดีขึ้นไหมครับแล้วปีชาว่าแม่ดีขึ้นไหมเออผมว่าแม่อารมณ์ดีขึ้นครับหลักหลังโอ้ก็ดีสิก็บุญของเราแหละครับ อ่าเบอร์อะไรนะที่เรียกไปแล้ว93ยกมือ93 92ยกมือไว้ชุบไว้ส่งมาข้างหน้าแล้วกลุ่มนอนเดี๋ยวเดี๋ยวนะสองคนนี้กันกลับมาว่าสกคัญหลวงพ่อครับก็คือครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้อ่าให้ผมไปทําสมาธิเพิ่ ม, มครับก็คือพยายามไปทําสมาธิแล้วคือไม่แน่ใจว่าทำได้จิตดีขึ้นรู้สึกไหมจิตมีแรงมากขึ้น รู้สึกเป็นบางครั้งอะครับก็ยังดีแหละครับไปดูอีกนะพอใจเราสงบตั้งมั่นแล้วก็สังเกตใจเราไปเรื่อยใจนี้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆไป ด, ดูต่อจะได้เดินปัญญาครืคอที่ก่อนนั้นนี้หลวงพ่อเคยบอกว่าผมพอจะดูได้บ้างแล้วแต่ว่าคือ ทุกครั้งที่ดูมันก็ไม่ไม่เคยมั่นใจเลยว่าไม่มั่นใจรู้ว่าไม่มั่นใจการที่เรารู้อารมณ์ที่กําลังปรากฏในใจเราจริงๆนั่นก็รู้เรียบร้อยลแล้วพะฉะนั้นเกิดความไม่มั่นใจรู้ว่ากําลังไม่มั่นใจอยู่ก็ใช้ได้ละครับก็ดีขึ้นแล้วละอ้าวกุ้งไม่ได้มากล่าวหลวงพ่อนานแล้วค่ะก็อยากให้หลวงพ่อแนะนําช่วงนี้เป็นไงบ้างคะโอ้กุ้งเอาภาวนาคงเส้นคงวาปีกลายไงปีนี้ก็อย่างนั้น รู้สึกว่ามันไม่เดินปัญญามันจะเอาแต่ความสงบความสุขนะพยายามดูพอใจมันสุขใจสงบแล้วพิจารณาลงในกายเลยนะเห็นแต่ของไม่ดีไม่งามเลยเนี่ยให้กระตุ้นให้จิตมันทํางานเสร็จแล้วพอพิจารณากายไปแล้วก็ทําความสงบมาใหม่แล้วออกพิจารณาซ้ําอีกอย่าเงี้ย แล้วก็พอหมดเวลาทําความสงบพิจารณากายอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปบ่อยๆที่เดินอย่างนี้นะถึงจะกระฉับกระเฉงขึ้นงั้นมันเอาแต่ความสุขอะรู้สึกเ่ามีแต่ความสุขก็เดี๋ยวเดินปัญญามากขึ้นเออนะไปเดินนะภาวนาอย่าคงเส้นคงวานะให้มันเปลี่ยนแปลงแย่ลงก็ไม่เป็นไรนะดีกว่าอยู่เฉยๆ ของกุ้งอ่ะถ้าพูดโดยรวมมันดีขึ้นนะดีขึ้นแต่มันดีไปในทางมีความสุขความสบายมากไปนิดหนึ่งพยายามเดินตัญญาเพิ่มขึ้นมันจะได้พ้นทุกไปโดยองค์รวมเนี่ยดีขึ้นรู้สึกกล่าวว่าเราดีขึ้นใจมันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายแต่ว่าพอมันสบายแล้วมันเพลินไปนิดหนึ่งเอาไปส่งไปข้างหลังนั้นมีอยู่สามคนที่ยกไว้แล้ว34 89แล้วก็20สิบ เอาแถม 39-39 ก่อนทางผ่านนมาสการครับหลวงพ่อเมื่อ2 อ, อาทิตย์ที่แล้วมาส่งการบ้านหลวงพ่อนะครับก็คือหลวงพ่อบอกว่าจิตส่งออกไปข้างนอกนะครับหลังจากนั้นมาก็เริ่มเหมือนกับจะดึงเข้ามานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเครียดเท่าไหร่นะครับแต่มันจะรู้สึกเฉยเฉยไปเลยอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะไปดูอีกเมื่อไหร่ใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้น ใจมันโปรง่งมันโล่งมันเบาขึ้นแล้วใช่ครับนี่นแหละดูไปดีแล้วล่ะทำไปอย่างนั้นนี่ทำอีกอยังไม่พอการนะมัสการค่ะโยมอยากถามว่าจิตคนเรานี่ขนาดที่เราจะนั่งสมาธิเราจิตหนึ่งเราก็ระลึกไปถึงเรื่องในอดีตแล้วทีนี้อีกจิตที่รู้ว่าโอ้กำลังคิดอยู่พยายามจะกั้นไม่ให้คิดต่อเงนี้ค่ะนั่นไม่ใช่นะ แค่รู้ว่ามันคิดอย่าไปฝืนอย่าไปกั้นแล้ชีชอบกั้นเลยแข็งแข็งไปแล้วขณะที่นั่งนี่ก็เหมือนกับว่าเห็นว่ามีติดทั้งจะคิดอีกติดหนึ่งก็อยากจะนั่งอืสมาธิ ด, ด้วยอวแวืแล้วอีกตัวหนึ่งทําอะไรเป็นติตที่รู้อะค่ะเออดูไปอย่างนั้นแหละปล่อยตามคิดไปเลยใช่หมเจ้าคะ่ะก็ให้รู้ว่ามันคิดค่นะแล้วถ้าตัวผู้รู้กลายเป็นตัวคิดก็รู้ว่าตัวรู้หายไปแล้วกลายเป็นตัวคิด ลงไปคิดแล้วรู้หลงไปปัจจุบันไปเรื่อยๆนะค่ะหลวงพ่อเจ้าคะแล้วก็เติดคนเรานี่มีหลายหลายดวงใช่ไหมฮะค่ะนั่นแล้วคิดได้หลายเรื่องในขณะเดียวกันแล้วเราตามไม่หลอกมันคิดทีละเรื่องแต่มันเปลี่ยนเรื่องที่คิดเร็วอ๋อเจ้าค่ะไม่ชีคิดมากนะไม่ชีคิดเยอะไปไม่ชี้คอยรู้สึกไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูไปเรื่อยๆ ใจก็ดูไปใจเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็รู้ใจก็ไม่เที่ยงบางทีติดมันเหนื่อยมากเลยค่ะมีเรื่องคิดแล้วก็นี่แหละมาดูกายไว้บ้างอยากพยายามกันไม่ให้คิดแต่มันน่จะทําผิดถึงได้เหนื่อยจิตจะคิดแล้วไปกั้นไว้ก็เหนื่อยสิปล่อยให้มันดับเองใช่หมใช่ให้รู้ว่ามันคิดมันจะดับเองให้รู้ว่ามันคิดนันไม่ใช่ปล่อยไปเรื่อยๆจิตนี้ไปคิดให้รู้ว่าจิตนี้ไปคิดไม่ใช่จิตนี้ไปคิดแล้วไปกั้นไว้ไม่ใช่จิตนี้ไปคิดแล้วก็ปล่อยให้คิดไปเรื่อยๆ มันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดไม่ได้ปล่อยมันในขณะเดียวกันก็ไม่ได้กั้นมันแต่ว่ารู้มันเจ้าค่ะแล้วบางทีก็พอดีนึกถึงว่าเออสักครู่เมื่อคี้นี้เราคิดอะไรไปแล้วลืมใช้สติดูแต่ว่าเราให้รู้เลยว่าปัจจุบันกําลังหลงไปถึงอดีตแล้วนะลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอข้างหลังข้างหลังยกไว้สามคนอ่ะกุ้งกุ้งหลง กุอย่างนี้คือตอนที่ใจมีความสุขเนี่ยนะเดินปัญญาต่อเนี่ยให้รู้ว่ามีความสุขให้รู้ว่าพอใจที่มีความสุขถ้ารู้อย่างนี้แล้วใจมันจะตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเดินปัญญาไม่ได้นะมันจะเพียงมันเป็นมีความสุขแล้วเพลินเพลินอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันมีความสุขรู้ว่ากําลังพอใจอยู่เนี่ยพอความพอใจดับปั๊บใจจะตั้งมั่นเองนะไม่ใช่ไปดิ้นขูุู่ขักๆอย่างนั้นนะ เวลาจะเดินตัญญาจิตต้องมีความตั้งมั่นจำไหมนะถ้าไม่มีความตั้งมั่นคือไม่มีสัมมาส ม, มาธิจะเดินปัญญาไม่ได้นี่เราทำส ม, มาธิมาแล้วทำมาพอสมควรแล้วเนี่ยจิตมีความสุขนี่มีความสุขแล้วเราต่อไม่เป็นนะวิธีที่จะตอไปเนี่ยกุ้งก็รู้ทันไปว่าจิตมีความสุขถ้าพอใจรู้ว่าพอใจนะถ้าเฉยๆรู้ว่าเฉยๆมีความสุขแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนงไปดูตรงนี้นะ แล้วก็สมมติถ้านั่งสมาธิแล้วนั่งนานอย่างหลวงปู่เท่านพานั่งถึงหลายๆชั่วโมงเนี้ยนั่งเราพักพอสมควรแล้วแล้วเ ร, เราดูจิตไม่ได้เนี่ยเราก็ดูกายนะให้จิตมันไม่อยู่เฉยแต่ออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยจิตเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้คอยรู้รไปด้วยจิตไปค้างอยู่ในความสุกรู้ไปค้างนะแค่นั้นแหละไม่ได้ทำอะไรยุ่งขนาดที่พยายามทําอยู่นะั่นหรอกเดี๋ยวเสียหายหมดนะกำลังดีๆอยู่ ข้างหลังเชิญเบอร์อะไรนะแบนักการหลวงพ่อคะ่ะอยากจะขอให้หลวงพ่อแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผ่านมาค่ะว่าถูกต้องหรือยังคะ่ะเอาใหม่สิท้าปฏิบัติที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปนะ <c oughs> พยายามรู้สึกอยู่ในชีวิตประจำวันให้มากเห็นกิเลสบอ่อยไหมบ่อยค่ะตัวไหนตัวไหนเกิดเออโทสะค่ะเออโทสะเกิดแล้วทำยังไงก็ <c oughs> รู้ค่ะ อ, อยากให้หายไหม มเมื่อก่อนนี้จะอยากให้หายค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้เฉยๆค่ะแล้วก็พอรู้แล้วเขาก็จะดับไปค่ ะ, ะแล้วจิตขนาดนี้เป็นยังไงตนนัวีนตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วมีอะไรอีกดวออกไหมมันกระจายออกไปข้างนอกดวกไหมค่ะเอออย่าคาดสิ <laughs> ไม่ได้เห็นเลยว่าคาได้ไง <laughs> ยังง ง, งๆดูไม่ค่อยออก อ, อย่ามเนอย่ามาหลอกนะ <laughs> ยังไม่เห็นเลยมาค่าฆ่าเอาใจหลวงพ่อกลัวหลวงพ่อเสียใจอยากขอให้หลวงพ่อแนะนําการภาวนาที่เหมาะกับจริตของโยมค่ะของคุณนะมันเป็นคนคิดเยอะเป็นคนช่างคิดรู้สึกไหมค่ะทราบค่ะถ้าเราหาคําบริกรรมมาพุทโธก็ได้หรือชอบอย่างอื่นก็ได้สัมมาระหังอะไรก็ได้เท่านั้นแหละนะเอาสักอย่างหนึ่งหรือสวดมนต์สั้นๆก็ได้ แล้วก็ค่อยดูใจไปเช่นพุโทโธพุโทโธใจแอบิชคิดล้วรู้พุทโธพุทโธใจหนีพปคิดเรารู้ฝึกนี้บ่อยๆนะแล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวเราก็เห็นแล้วมันจะเห็นได้เร็วกว่านี้จิตใจจะมีแรงขึ้นค่ะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีกําลังนั่นแหละมันไม่มีแรง<า>นะต้อไปช่วยมันนิดหนึง่งไปพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆแต่อย่าไปพุโทโธแล้วอยากให้มีกําลังนะ อย่าพุโทโธให้จิตสงบน ะ, ะพุโทโธแล้วรู้ทันจิตเรื่อยจิตเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆ อ, อย่างนั้นถึงจะใช้ได้เคยหลวงพ่อเขเคยลองนั่งสมาธิแล้วรู้สึกจิตมันชอบเคลิมไปออไม่นั่งะนะไปเดินเอาถ้านั่งแล้วเคลิมไปเดินจงกรมอย่าไปนั่งค่ะค่ะขอบพระคุณ<อ>คะให้คนต่อไปที่ยกไว้แล้วอ่ะมีใครมีไหมครับน้มันส ก, การหลวงพ่อกรับมาครั้งแรกครับ แล้วก็เพิ่งฟังซีดีของพ่อได้ประมาณอาทิตย์เดียวก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเหมือนกับฝันแต่ว่าคิดว่าเหมือนกับระหว่างนอนเนี่ยมันเหมือนจิตเป็นสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตเห็นแสงสว่างสองครั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบมีกำลังเรียวแลนะแล้วก็เริ่มจะฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็อ่านหนังสือรู้สึกว่า กำลังพยายามจะรู้สภาวะที่หลวงพ่อสอนไม่ทราบว่าเห็นบ้างหรื อ, อยั ง, องครัองคุณมาได้ดีแล้วนะครับคือพื้นฐานเดิมของคุณจิตมันมีกำลังอยู่ช่วงนี้ครับเมื่อมันมีแรงแล้วนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ค่อยรู้ไปเรื่อยรู้จักใจลอยไหมรู้จักครับออถ้าใจลอยแล้วก็รู้ใจลอยแล้วก็รู้ไม่ห้ามมันนะครับ เ, เราก็ฝึกต่อไปฝึกตอเขาคุณครับเมื่อกี้มีอีกคนนึงอง นมัส ก, การหลวงพ่อครับเออจะขออนุญาตส่งกันบ้านหลวงพ่อครับที่ทําไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับจิตเป็นยังไงบอกหลวงพ่อหน่อยเออสภาพฟุ้งไปแล้วรู้สึกครับขณะนี้เป็นยังไงสภาพตะกี้ตื่นเต้นครับเออตอนนี้นิ่งๆแล้วครับเออไปกดไปนะครับมันนิ่งเพราะกดดูออกไหมมันไม่ใช่นิ่งเองอะแต่ว่ามันนิ่งแล้วแน่นๆรู้สึกไหมแน่นๆที่หน้าอกออแน่นๆแน่นหน้าอกครัเพราะเราไปกดไว้ครับ ดีและหละเห็นสภาวะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆที่ทํามาถูกต้องนะครับทุกคนตอนช่วงที่มีงานมากๆที่ต้องไปขายของต้องไลยหลังจากที่ขายของปิดบูธเสร็จแล้วเนี่ยตอนที่ภาวนารู้สึกว่าเหมือนกับมันหน่วงๆไว้ครับหลวงพ่อเราต้องภาวนาตั้งแต่เปิดขายของไปด้วยนะขายของไปภาวนาไปอย่างลูกค้าไม่มาเนี่ยกังวลใจรู้ว่ากังวลลูกค้ามานะก็ดีใจรู้ว่าดีใจลูกค้าต่อมากกวนประสาทรู้ว่ลาลาคาญเนี่ย เราฝึกของเราอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะแล้วเวลากลับมาบ้านเราจะภาวนาง่ายครับ <นะ S 2> เออขอคำถามสุดท้ายครับตอนที่ตอนช่วงช่วงที่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี้ยเวลาที่ภาวนาเนี้ยรู้สึกว่าเวลาเรามองอะไรตาไปเหมือนเหมือนเหมือนใจไปไปจับไว้อยู่กับสายตาที่เรามองไวค้คออถูกนะให้เรารู้ทันว่าจิตเราไหลออกไปแล้ว ร, รู้ทันว่าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตเราหลงตามไปแล้วแต่อย่าไปดึงไว้นะอย่าไปห้ามจิตไหลออกไปทางตาก็รู้ไหลไปทางหูก็รู้ไหลไปทางใจคือไหลไปคิดก็รู้คดีเนี่ฝึกได้ดีครับตอนหลังก็เลยทําใหม่ว่าถ้าสมมติเกิดอะไรภาษาอะไรเกิดขึ้นก็จะมาคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆครับรู้สึกแต่อย่าดึงนะถ้าดึงเราจะแน่นในห น, น้า อ, อกนะปล่อยเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเ<ด>มื่อกี้เห็นยกมืออีกคนหนึ่งข้างหลังคนสุดท้ายนะคนนี้ได้คนสุดท้ายแล้ว Uh huh. กาบมาราการหลวงพ่อเจ้าค่ะนี่ก็ามาเป็นครั้งที่สแล้วนะคะทีนี้ในรูปแบบของการปฏิบะะัติค่ะลูกรู้สึกว่าจะติดสมถะถ้าติดสมถะแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขอะคะ่ะ uh huh. มีความสุขมากๆเลย hmm. นะคะแต่เวลา ป, ปฏิบัติที่ดูดูกายดูใจอะไรอย่างเนี้ยแต่ จำสภาวะทางกายอ่ะจำได้มากขึ้นอค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาไปดูจิตทีไรแล้วจะทุกข์มากๆเลยเจ้าค่ะจิตมันตัวทุกข์อยู่แล้วล่ะแล้แลรู้สึกกายไปนะของคุณถนัดที่จะรู้กายเวลาคุณรู้กายแล้วจิตตั้งมั่นจิตสงบคุณรู้กายเรื่อยๆเห็นกายมันทํางานไปแล้วเดียวมันก็เห็นจิตเอง <Okay. S 2> มันจะไม่รู้กายอย่างเดียวหรอกมันจะเห็นไหมกาย้เป็นที่อาศัยอยู่ของจิตนะมันจะเห็นเองแล้วจิตก็วิ่งไปวิ่งมา อไปเชแล้วมีมีการบ้านอะไรฮะหลวงพ่อจะฝากไปดูนั่นแหละไปดูนะดูกายอย่างเดียวไม่ใช่ดูกายอย่างเดียวดูกายบ่อยๆดูกายบ่อยๆใช่ไหมดูอย่างเดียวไม่ได้นะมางทีจิตมันก็ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ